ข้อความในคัมภีร์พุทธวงศ์เนี่ยมาขึ้นวงของพระโคดมพุทธเจ้ามาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราล้วถกไหมถือว่าเป็นพระองค์สุดท้ายในคัมภีร์พุทธวงศ์นนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคอพ่พระประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตตยะนั้นต้องดูเอาในจักวัติสูตร ข้อความในวงของพระโคดมพุทธเจ้าที่25ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าผู้สืบทอดประเพณีวงของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆหมายคือว่าพระองค์นั้นได้รับการรับรองนะโดยโดยสมัยเป็นพระพุทธศาสนั้นได้รับการรับรองหรือได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า24พระองค์เนี่ยนะซึ่งพระองค์มันไม่ได้เสด็จมาแบบเลื่อนลอยแบบไม่มีที่มาที่ไปไม่ใช่พระองค์นั้นเสด็จมาดําเนินตามวง ตามพุทธวงศ์ตามประเพณีวงศ์อันเก่าแก่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหล่านั้นในอดีตก็รับรองพระองค์ว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีความรู้มีความสามารถที่จะตรัสรู้ได้ซึ่งคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหล่านั้นก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์ซึ่งเป็นจริงเป็นแท้เช่นกับพระพุทธธรรมรัตน์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหล่านั้นที่พยากรณ์มาฉั้นพระองค์จึง บอกเล่าถึงพระองค์เองว่าบัดนี้ตัวเรานั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะเจริญวัยในสักยศกุลตั้งความเพียรแล้วบรรลุพระโพธิยานอันอุดมหลังจากที่ตรัสรู้โพธิยานแล้วอันเท่ามาหาพรหมาราธนาแล้วประกาศพระธรรมจากอภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตสิบแปโกธเพราะว่าตอนที่พระองค์แสดงธรรมาจากกับประวัตนสูตรนั้น เทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรมเนี่ยบรรลุ18โกดเมื่อทรงสแสดงธรรมะต่อจากนั้นในสมาคมแห่งเทวดาและมนุษย์ อ, อภิสมัยครั้งที่สองก็กล่าวไม่ได้ถึงจํานวนผู้บรรลุะนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงสแสดงเช่นมหาสมัยสูตรเป็นต้นหรือมงคลสูตรนั้นผู้ตรัสรู้นั้นหาประมาณไม่ได้ เพราะว่าผู้ที่สั่งสมบุญกุศลบุญวาสนาที่จะได้มาตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเหล่านั้นได้สั่งสมมามากนนะอันถ้าดูจากอปิธานแล้วจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นนั้นสั่งสมมาจากพระพุทธเจ้ากัสปะบ้างสั่งสมมาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าโกนาคามนะบ้างสั่งสมบุญกุศลมาจากพระพุทธเจ้ากากุสันทะเป็นต้นถอยหลังมา ซึ่งท่านเหล่านั้นก็คู่ควรที่จะได้ตรัสรู้เมื่อท่านเหล่านั้นคู่ควรกับการตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สามารถบอกสอนให้เขาได้ตรัสรู้จริงมันผู้ที่ตรัสรู้ตามพระองค์นั้นจึงหาประมาณไม่ได้ในบัดนี้ในที่นี้คือในที่ไหนที่เมืองสาวัตถีที่พระองค์ตรัสสั่งสอนพระราหุลโอรสของพระองค์นั้นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สาม ก็กล่าวไม่ได้ถึงจำนวนผู้บรรลุเนี่ยนะผู้บรรลุเนี่ยหลังจากที่พระองค์ทราบว่าอินทรีย์ของท่านพราหุนแก่กล้าแล้วคู่ควรที่จะตรัสรู้ได้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมพราหุนพร้อมทั้ง เ, เทวดาและมนุษย์ตรัสรู้ตามหาประมาณไม่ได้การประชุมสันนิบาตเรียกว่าประชุมอรหันตสาวกของพระองค์ผู้สแสวงหาพระคุณที่ยิ่งใหญ่นั้น เป็นการประชุมพระภิสุจํานวนหนึ่มีแค่ครั้งเดียวตอนที่พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกที่ที่ไหนที่วัดพระเวรุวันนะนะที่วัดพระเวรุวันแสดงครั้งเดียวมีผู้มีผ้าอรหันตสาวกที่มาประชมุมทำฟังโอวาทปาติโมกนั้นหนึ่ก็คือกลุ่มเชลีนสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารพันหนึ่ง ภาษารีบุตรและบริวารของท่านอีก250รก็รวมเป็นพันสองตัวเลขเนี่ยลดลงจนน่าใจหายเลยนะคือถ้าตั้งคำถามว่าทำไมพระอริยบุคคลในหมู่มนุษย์ถ้าฟังดูตามนี้แล้วปริมาณจำนวนไม่มากเหตุผลที่ไม่มากเหตุผลหลักก็คือว่าพระองค์มาเกิดในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุน้อยผู้ที่เขามีบุญเนี่ยเขาเขาถือว่าเสียงมากนะมาเกิดในยุคนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นการลงมาเกิดที่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าพุทธสมัยเนี่ยนะสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่จริงๆอะ่ะเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยเนี่ยแค่45ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นช่วง45ปีเนี่ยสำหรับเทวดาที่มีอายุเป็นล้านๆปีเนี่ย45ปีนี้ถือว่าแม้ฟ้าแลบะนะเหมือนอย่างฟ้าแลบมองเห็นแสงสว่างชั่วครู่เสร็จแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการที่จะมาใช้แสงสว่างยามฟ้าแลบนั้น โดยที่ลงทุนมาเกิดเองเนี่ยถือว่าแหม่ยากเป็นเทวดามาเป็นนักท่องเที่ยวดีกว่าครับแบบเนี้นะเป็นคล้ายๆกับนักท่องเที่ยวนักสแสวงบุญนักจาริกเพื่อบุญเพื่อกุศลมาอย่างง่ายๆกว่าเยอะเพราะท่านเหล่านั้นมาในฐานะของเทวดาท่านจึงไม่ค่อยนิยมมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนั้นเว้นไว้แต่ว่ากลุ่มชนที่ ทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอยากจะช่วยยกพระพุทธศาสนาอยากจะบำรุงพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้ท่านจึงลงมากันเช่นอนาถบิณฑิกานางวิสาขาเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นยินดีที่จะเจริญกุศลอยู่แล้วท่านเต็มใจท่านมีความสุขที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีบุญแล้วท่านเลือกเกิดได้เนี่ยนะท่านเลือกที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เหมือนอย่างว่าเศรษฐีผู้มีทรัพย์สา ม, มารถที่จะเลือกบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ได้ว่า ง, งั้นฉันใด ผู้ที่สั่งสมบุญมาเพียงพอสามารถที่จะเลือกสถานที่เกิดได้ชันนั้นเนี่ยนะพระองค์ตรัสเล่าถึงพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไร้หมนทินปราศจากความเศร้ามองด้วยราคะโทสะและโมหะรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์สาวกขณะเดียวกันพระองค์ก็สามารถให้ทุกอย่างที่สาวกปรารถนานะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ให้สมความปรารถนาแก่ สาวกทั้งปวงเหมือนแก้วจินดามณีอันให้ทุกอย่างตามที่ตามที่ผู้ขอต้องการเพราะฉะนั้นผู้ใดมีความดำริเต็มเปี่ยมตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นพระโสดาบันพระองค์ก็ให้เขาได้เป็นพระโสดาบันผู้ใดทำบุญทำกุศลตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นพระสะกทาคามีเป็นต้นพระองค์ก็ให้เขาได้สมความปรารถนา ผู้ใดตั้งความปรารถนามาเพื่อจะเป็นอสีติมหาสาวกโดยประการต่างๆพระองค์ก็ให้เขาเหล่านั้นได้สําเร็จสมความปรารถนาะพระองค์นั้นความที่กรุณาในสรรพสัตว์ทั้งหลายคือใจที่หวังปลดเปลื้องหวังที่จะอนุเคราะห์หวังที่จะสงเคราะห์หวังที่จะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีชาติตทุกการเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรก ทำให้พ้นจากทุกในวัตทุกข์โดยประการทั้งปวงการุณาของพระองค์ที่มุ่งปลดปลื้งสัตว์ให้พ้นทุก์พระองค์ก็ประกาศสัจจะสี่แก่ผู้จำานงหวังมรผลผู้ประสงค์จะละฉันทราคะในภพซะนะถ้าหากว่าผู้ใดมีวิปัสนาแก่กล้าคู่ควรที่จะตัดอาลัยในภพพระองค์ก็จะประกาศอารยมรรควิธีตัดฉันทราคะในภพให้แก่เขาเหล่านั้น เพราะฉะนั้นทำมาพิสมัยแต่ละครั้งนั้นได้มีแก่สัตว์บางครั้ง1 1 0 0 0หนึงสองมืนอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมของสัตว์เขาไม่นับจำนวนด้วย1คนหรือ2คน อ, อย่างยกตัวอย่างั้มบรรลุ1รูป2อรูปไปแสดงตรงนั้นบรรลุรูปหนึ่งปริมาณจำนวนแล้วไม่มากถือว่าน้อยโดยมากบรรลุทีละเยอะๆ นะโดยมากนะอย่างถ้าใครอ่านธรรมบทบรรลุที 84,000 ื 8, 000, 8, 000, ่นสีพันบรรลุจำนวนมากเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยสังสมบุญมามากพัทกับเป็นกับที่เจริญกับที่พระพุทธเจ้านะเกิดขึ้นหลายองค์นันพระองค์ทอดสะพานที่จะบรรลุมรรคผลเอาไว้ให้แก่สัพพสัตว์นี้เยอะเพียงแต่ว่าตั้งเจตจำนงที่จะเดินตามสะพานคือมรขาทีพระองค์ได้แนะนาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์รับผิดชอบเครียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในพระพุทธศาสนาทั้งหมดอยู่แล้วขอให้เจริญตามเดินตามปฏิบัติตามทำที่สุดแห่งทุกได้แน่นอนนะ อ, องค์ยืนยันเลยขอให้ได้ทําตามอย่างที่พระ อ, องค์บอกเถอะเพราะฉนนัน้ถ้าทําตามอย่างที่พระ อ, องค์บอกก็มีทางเดียวว่าบรรลุแน่นอนแต่เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะหมายถาว่าถ้าเดินทางถูกเนี่ยนะก้าหนก้าก็ใกล้เข้ามาแต่เก้าได้สิก้าก็ใกล้เข้าไปอีก เก้าได้ร้อยเกหรือว่าวิ่งไปได้ร้อยกิโลพันกิโลมันก็ใกล้เข้าไปถึงเพราะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องฉันใดถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรูม้มรรคผลถ้ายังดําเนินตามมัคคาปฏิปทาอริยมรรคตามที่พระองค์บอกกล่าวถึงไม่ตรัสรู้วันนี้ต่อต่อไปบุญวาสนาที่สั่งสมก็จะเป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตพื้นที่สําคัญที่สุดก็คือการสํารวจตรวจตราดู เส้นทางว่ายังอยู่ในเส้นทางมักคาปฏิปทาที่พระองค์แนะนำหรือไม่ถ้าเป็นไปตามมักคาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่พระองค์แนะนำทุกประการทำที่สุดแห่งทุกได้แน่นอนและมีผู้ที่เข้าตรัสรู้มากมายพระองค์บอกว่าศาสนาของเรานั้นผู้ศักยะมุนีในโลกนี้บริสุทธิ์ดีแล้วเป็นศาสนาที่แผ่ไปอย่างกว้างขวางคนเป็นอันมากรู้กัน เป็นคำสอนที่มั่นคงเจริญดอกออกบานแล้วเนี่ยนะคือดอกคือวิมุตติสามัญญะผลทั้งหลายเนี่ยมีมากมายบานแบ่งบานทั่วไปหมดเลยภิกษุหลายร้อยผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นแวดล้อมเราทุกเมื่อสมัยพุทธกาลภิกษุที่ติดตามพระพุทธเจ้านั้นโดยมากประมาณปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิก็คือประมาณ500 บางครั้งคราวก็มีพันกว่ารูปครั้งคราวก็มีเป็นหมื่นรูปแต่ว่าโดยมากเนี่ยนะปัญจมเตหิพิกุสเตหิก็คือประมาณ500เนีน่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็เล่าอีกว่าบัดนี้เดี๋ยวนี้ภิกษุเหล่าใดละพบมนุษย์ภิกษุเหล่านั้นยังเป็นเสขะถ้าหากว่ายังไม่บรรลุพระอรหัสต์วินยูชนก็ติเตียน มีอยู่ครั้งหนึ่งพระอนาคามีรูปหนึ่งท่านบอกว่าโอ้แค่นี้ก็พอแล้วยังไงท่านก็บรรุแ น, น่นอนแล้วในอนาในสุดทธาว่าท่านก็ไม่น้อมขวนขวายที่จะเป็นพระอาหารหันต์พระองค์ก็มาตาหนิเนี่ยนะว่าแม้พบถ้ายังมีจำนวนน้อยพระองค์ก็ไม่ยกย่องเช่นกับอุจจาระถึงจะมีน้อยก็มีกลิ่นเหม็นนั้นพระองค์จึงไม่สรรเสริญพบโดยประการใดม นรชนผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏผู้ยินดีในธรรมทุกเมื่อเมื่อชมเชยอริยมรรุ่งเรืองอยู่ก็จักตรัสรู้นะถ้าหากว่าชมอริยมรรุอริยมอยูที่ถูกต้องตรัสรู้แน่นอนานคะตรงนี้ยืนยันบอย่าลมว่าอริยมรรเรืองยูักคที่รุ่งเรืองอยู่เนี่ยตรัสรู้ก็จักตรัสรู้แปล ว, ว่าอนาคตจักได้ตรัสรู้เนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าอริยมรรุอันประกอบไปด้วย องแปดสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจสี่สัมมาสังกประกุศลสังกประสสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริสาสัมมากรรมตะเว้นจากกายทุจริสาสัมมาอาชีวะก็คืออาชีพที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษสัมมาวายมะสัมมาประธานสสัมมาสติสติประธาน 4. สัมมาสมาธิฌาน4มันท่าชมเชยยกย่อง ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม น, นะปฏิบัติตามอริยมรก็จักตรัสรู้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์โดยสังเขปก็บอกว่าเรามีนครชื่อว่ากบีลพัฒนที่เกิดเนี่ยนะพระพุทธบิดาของเราชื่อว่าพระเจ้าสุโธธนะพระชนนีพุทธมารดาพระนางมายาเทวีเราครองคาวัตวิสัยอยู่29ปีมีปราสาทอยู่สหลัง สุจันทโกกนุทะและโกณะกกจะมีสนมกำนันที่แต่งกายงามประมาณสี่เหมือนนางอัครมเหสีนามว่ายโสธราโอรสนามว่าพระราหุลเราเห็นนิมิสีออกอภินศสกรมด้วยยานคือมา้าทำความเพียรประพฤตุกรักิริยาธรรมในสิ่งที่ทำได้ยากหกปี เรา ช, ชินะโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักรณป่าอิสิปตนะมิขเทยวันณกรุงพารณสีเรานั้นเป็นสารณะของสัตว์ทั้งปวงนะเป็นที่พึ่งนะเป็นที่ตั้งให้สัตว์ทั้งหลายกล่าวว่าพุทธังสารนังขะฉามิเรามีคู่อักรสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสะมีผู้ท่าอุปถาคประจําสํานักชื่อว่าพระอานันทะหรือพระ อ, อนนท เรามีภิกษุณีอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและอุบลวานามีอัครอุปถาชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลาวกะอัคราอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราเราบรรลุสัมโภธิยานอันอุดมณโคนโพพฤกชื่อต้นอสัต t h เรานั้นมีรัศมีโดยปกติวาหนึ่งร่างกายนั้นสูง16ศอกอายุของเราในบัดนี้น้อยร้อยปี เราดำรงชนอยู่ถึงเพียงนั้นก็อยู่ไม่เกินร้อยปีว่างนั้นก็ติงอยู่80ปีเนี่ยนะก็ยังหมู่ชนเป็นนั้นมากให้ข้ามโอกคถึง45ปีของพระองค์ก็ไม่เปล่าประโยชน์45ปีแห่งการช่วยเหลือสรรพสัตว์เนี่ยนะดดูนะตั้งความปรารถนาะมาสีอสงไขยเศษแสนกับบำเพ็ญพุทธกิจอยู่45ปีแล้วตั้งศาสนาให้แผ่รุ่งเรืองเนี่ยนะประมาณ 5,000 ปีเนี่ยนะถ้ากล่าวตามอัตถกถาบอกว่า ศาสนารุ่งเรืองอยู่ประมาณ 5,000 ปีพันพระองค์ก็ตั้งคบเพลิงคือทมเปรียบเหมือนตั้งแสงสว่างานะปลุกหมู่ชนที่เกิดมาในภายหลังให้ตื่นรู้อรยิยสัจต่อไปอีกไม่นานนักนะแม้เราพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกก็จักปรินิพานในที่นี้นี่แหละเพราะสิ้นอาหารอาหารหมายว่าอาวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเนี่ย อาหารเหล่านั้นสิ้นแล้วเปรียบเหมือนดวงไฟดับเพราะสิ้นเชือ้อฉะนั้นพระองค์ก็บอกแล้วนะว่าพระองค์ด้วยสาวกของพระองค์ด้วยปรินิพานณนะที่นี้นี่แหละสิ้นเชื้อเหมือนสิ้นไฟเออเหมือนไฟสิ้นเชื้อฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดช ท, ที่ไม่มีใครเทียบได้เหล่านั้นทั้งยศพระและฤทธิเหล่านี้เราผู้มีเรือนกายที่ทรงคุณวิจิตด้วยมหาปริศลักษณะ32สองประการ มีฉับพันนรังสีสองสว่างทั้งสิทิศเหมือนดวงอาทิตย์ทั้งหมดนั้นจากอันตรธานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้นักพุทธพจน์เหล่านี้ที่พระองค์ตรัสไม่มีผิดมีเพี้ยนถูกต้องอนะเพราะว่าปัจจุบันประจักษพยานให้พบให้รู้ให้เห็นมาจนปัจจุบันว่ามีสิ่งใดบ้างหนอที่ยังเหลืออยู่ก็เหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุอีกไม่นานนักพระาธาตุก็จัก อันตรธานไปจากโลกเนี่ย น, นะส่วนในอัตถกถามทุรั่าวิลาสเนีอัตถกถาพุทธวงศ์พระองค์อัตถกถาที่พระพุทธทัตตะเรียบเรียงมาบอกว่าเพราะเหตุที่ถึงลําดับการพันนาวงของพระพุทธเจ้าของเราแล้วได้เวลาที่กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพร ะ, อะของเราแล้วบัดนี้ จะพันนาขยายความพระพุทธเจ้าของเราดังต่อไปนี้เรื่องราวในการไกลใ น, ในการไกลที่พระโพธิสัตว์ของพวกเราเนี่ยนะกระทํมาทิการสร้างบา ร, รมีในสํานักของพระพุทธเจ้า24พระองค์มีพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นน่ยนะทีปังกรกรนัญญะมังคละเป็นต้นเนี่ยนะมาถึงสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับส่วนภายหลัง ของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นเว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ผ่านไปไม่มีผู้ใดจะตรัสรู้นอกจากพระองค์พระองค์ก็เลยได้ตรัสรู้ดังนั้นพระโพธิสัตว์ผู้ได้พยาลพยากร์ในสำนักพระพุทธเจ้า24พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพุทธกุรกะธรรมมีฐานบารมีเป็นต้นที่พระโพธิสัตว์ผู้รวบรวมธรรมะแประการ คือผู้ที่จะสร้างบารมีเนี่ยนะที่จะนับหนึ่งว่าบัดนี้ได้สร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้แน่นอนแล้วเนี่ยนะเริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่เริ่มนับหนึ่งต่อเมื่อรวบรวมพุทธกัลกฐธรรมและได้รับพุทธพยากรณ์อ่าการรวบขออภัยการรวบรวมธรรมะสมุทัยแปประการเนี่ยนะการรวบรวมธรรมะ ส, สมุทัยแปประการที่จะได้รับคําพยากรณ์นั้นที่สําคัญก็คืออะไรบ้าง มนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะต้องต้องเป็นมนุษย์แบ่งอย่างนี้นะว่าความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ที่จะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยผู้ที่ปรารถนาแล้วสําเร็จจริงอะ่ะต้องมีองค์ประกอบอยู่ในแปะอยู่ในตัว8 ป, ประการองค์ประกอบในตัว8 ป, ประการมีอะไรบ้าง1มนุษย์มนุษย์สะตะัตวความเป็นมนุษย์เล็งค์ข้ามปติมีเพศ ช, ชายสาเหตุมีอุปนิสัยสมบัติชาตินั้นเป็นพธาตุหัน์ได้ สัทธารัศนังพบพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ 5. ปัต พ, พชาต้องเป็นนักบวชอาจจะเป็นดาบวบดหรือพิสุก็ได้ 6. มีคุณสมบัติคืออภินสมาบัติ8และอภินยาห7อธิการสา ม, มารถที่จะสละชีวิตเป็นพุทธบูชาได้ 8. ฉชันตามีชันทะมีอุตสาหะในการบำเพ็ญพุทธกรกะธรรม มีใจยินดีที่จะสร้างบารมีอย่างแรงกล้าผู้ที่มีองค์ประกอบ8ประการนี่แหละจึงจะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จมันอภินิหารการตั้งความปรารถนาแทบเบื้องบาททัทีปังกรพุทธเจ้าแล้วทำอุตสาหะว่ า, านะคือหมายก็ว่าพ อ, อได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ทาความาเพียรพยายามว่า เราจักเลือกเฟ้นพุทธกัลกะทำอย่างนู้นอย่างนี้แสดงไว้อีกว่าครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็ได้เห็นฐานนบารมีเป็นอันดับแรกเนี่ยนะก็เลือกเฟ้นเห็นทานนบารมีศีลบารมีเนคขมปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาอ่านะบารมีสิบอุป ป, ปารมี10บปรมัทธปารมี 10. สิเสร็จแล้วก็สมาทานอธิษฐานในการสร้างบารมีจนแผ่นดินไหว นะแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติตามบารมีที่พระองค์ได้สมาทานอธิษฐานเหล่านั้นเรื่อยมาตราบจนถึงเกิดชาติที่เป็นพระเวสสันดรและเมื่อมาถึงก็ประสบอานิสงส์แห่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ทำอภินิหารไว้แล้วหมายคาอว่าระหว่างที่ได้รับพุทธภยากรเนี่ยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นมาจะมีอานิสงส์อ่นะอานิสงส์ก็คือกาไรนะ มีอนิสงส์หรือกำไรหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเพราะได้รับคำพยากรณ์มี18ประการท่านจึงสรรเสริญไว้ว่าพระนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้แน่นอนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยองคุณครบถ้วนอย่างนี้หมายว่าถ้าได้ประชมองค์8ปประการอธิษฐานในการสร้างบารมีเนี่ยนะ ถึงจะท่องเที่ยวไปในสังสารวัตตลอดกาลยาวนานนับร้อยโกรธกลับก็ตามก็ไม่เกิดในอาเวจีมหานรกนนะไม่ใช่ไม่ตกนรกนะตกแต่ว่าไม่ถึงขนาดอาเวจีมันต่อไปไม่เกิดในโลกตันตนรกไม่เกิดเป็นนิชามะตันทิกะเปรตคุปปปาสิกะเปรตก็คือเปรตกลุ่มตระกูลอดอยากหิวห้อยเป็นต้นเนี่ยไม่มี กาละกาล ะ, ะเข้าไปกาลกันชิกาศูนอ์ซนที่กลุมอสูรากายก็กลุ่มเปรต น, น, นะนะหรือถึงจะเข้าถึงทุกติก็ไม่เป็นสัตว์ขนาดเล็กเล็กกว่านันเล็กกว่านกคุ้มเนี่ยนกคุมหรือนกคุมเนี่ยนะไม่ไม่เล็กกว่านั้นแล้วหรือนกกระจาบอันนะแล้วก็ไม่เกิดโตเกินกว่าช้างวางั้นนะนะถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นคน ตาหาบอดมาแต่กําเนิดไหมเกิดมาตาพิการมาเลยไหมแต่ถ้าแก่ชาราแล้วตาเสียนี่มีแต่ไมายความว่าพิการมาตั้งแต่เกิดไม่มีถึงโสดก็ไม่วิการบกพร่องไม่ใช่หูหนวกหูเสียมาตั้งแต่เด็กเลยนะไม่เป็นคนประเภทใบไม่เป็นสตรีไม่เป็นคนสองเพศแล้วก็ไม่เป็นบัณฑ์คือไม่เป็นกระเทยนะ พรนิยตโพธิสัตว์นั้นไม่เป็นผู้นับเนื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นท่านเกิดมานั้ น, นท่านพ้นจากอนันตเรียกรรมท่านไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสังฆเพทถึงบวชมาท่านก็ไม่ทำสังฆเภทมีโคจรบริสุทธิ์ในภพทั้งปวงหมายว่าเที่ยวไปในภพต่างๆก็ไม่ใช่ไปทำวีรกรรมสร้างประวัติให้ตัวเองเสียหายในตอนหลังไม่เพราะทั้นโคจรนี้บริสุทธิ์ในทัยทั้งปวง ไม่เสพมิจฉาทิฐิเนี่ยนะคือถามว่าท่านได้เคยเกี่ยวข้องกับลัทธิมิจฉาทิฐิไหมบอกเกี่ยวข้องแต่ในที่สุดท่านรู้ว่ามีไม่มีประโยชน์ท่านก็ถอนตัวเพราะท่านถอนตัวออกจากมิจฉาทิฐิเรียกว่าไม่เสพมิจฉาทิฐิถึงบางพบบางชาติท่านไปเป็นไปคิดแบบเขาแต่ในที่สุดพราท่านก็เลิกราพระโพธิสัตว์ก็เลิกราจากกลุ่มลัทธิมิจฉาทิฐิเหล่านั้น เพราะเป็นผู้มีปกติเห็นว่ากรรมที่ทาแล้วเนี่ยมีผลผลแห่งบุญแห่งบาปมีอยู่ผลแห่งดีแห่งชั่วมีอยู่วิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ น, นะ น, นะเพราะนั้นท่านจึงมีกรรมมัศกตาปัญญาถึงจะเกิดในสุขติโลกสวรรค์ก็ไม่เข้าถึงอสัญญะอสัญญีพบนะพรหมที่มีแต่รูปไม่มีจิตเนี่ยนะและไม่มีเหตุที่จะให้เกิดในเทพชั้นสุทาวา เพราะอะไรเพราะท่านไม่ใช่สาวกที่จะเป็นอนาคามีแล้วเกิดในอวิหาอตตปาสุทธสาสุทธศีอกนิฐาเพลินจึงไม่มีเหตุให้เกิดในในเทพชั้นสุททาวาสโดยปกติพื้นเพนิสัยเป็นผู้น้อมไปในเนคข ม, มะมองเห็นพบเหมือนคุกตารางขณะเดียวกันท่านเป็นสัตบุรุษนะเป็นสัตบุรุษหรือเป็นบัณฑิต แปล ว, ว่ารู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าและเข้าใจวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์อย่างยิ่งมันโดยรวมแล้วไม่เกาะเกี่ยวในภพน้อยภพใหญ่ น, นะพื้นเพลแล้วไม่สนใจไม่ปรารถนาภพเราไม่ได้ปรารถนาสวรรค์สมบัติเป็นต้นแต่ปรารถนาสมบัติในความเป็นพระพุทธเจ้าดังที่เทวดาเขาไปอาราธนาบอกว่าพระองค์สร้างบารมีก็ไม่ได้สร้างเพื่อให้เกิดเป็นท่าจักรพาสมบัติเป็นเท้าสักกะ เป็นมารหรือเป็นพรหมแต่ที่แท้แล้วพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้ได้การสมควรที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะพระองค์นั้นโดยรวมแล้วไม่มีใจเรียกว่าเกาะเกี่ยวในภพต่างๆเพราะฉะนั้นเกิดภพใดก็บำเพ็ญแต่โลกาตจริยาทั้งหลายประพฤติสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่โลกเสมออันนี้โดยปกติองค์รวมของท่านคือเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อ เป็นบิดาของสัตว์โลกเนี่ยนะเป็นบิดาของสัตว์โลกทํากิจที่มองเห็นสัตว์โลกทั้งปวงเป็นบุตรของพระองค์มีตรงไหนที่จะช่วยเหลือเขาได้ตรงไหนที่จะอนุเคราะห์ตรงไหนที่จะส่งเคราะห์อะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้นแก่เขาอะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหน้าแก่สัพพะสัตว์อะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัรพะสัตมั้นท่านประพฤติแต่ข้อปฏิบัติเพื่อให้สําเร็จประโยชน์แก่โลกทั้งปวง และบำเพ็ญบารมีในที่ทั้งปวงมีที่ไหนบ้างที่ท่านไม่สร้างบารมีได้เป็นเดรัจฉานท่านก็สร้างบารมีเป็นเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็นับเนื่องอนะไม่ในหนึ่งชาติเนี่ยท่านต้องได้บารมีอย่างน้อยหนึ่งข้ออาจจะได้มากกว่านั้นไม่นับแต่ว่าเธอว่าอย่างน้อยหนึ่งข้อเป็นอะไรก็ช่างเป็นนกท่านก็ได้สัจจะบารมีเป็นปลาท่านก็ได้สัจจะบารมีได้อย่างอื่นท่านก็ได้บารมีอีกมาก เมื่อมาประสบอานิสองส์อย่างนี้หมายความว่าเนี่ยฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างนะที่ที่ที่เราสวดสวดกันเนี่ยนะบอกขอให้ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภัพแปลว่ายังไม่ได้มีอุปนิสัยมีเหตุที่จะให้ตรัสรูม้มรรคผลขอข้าพเจ้าไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างก็อันนี้แหละหน้านี้แหละที่ที่หลายท่านก็บอกว่าปรารถนาไม่ต้องการเนี่ยนะ แ, แล้วก็เมื่อประสบอนิสงส์อย่างนี้สร้างบุญบารมีจนอยู่ในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเป็นพระเวสสันดร น, นั้นก็ทําบุญที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ขนาดไหนทําบุญถึงขนาดทําให้มหาปัตตพีวันไหวที่พระองค์บอกว่าแผ่นดินปัตตพีนี้ไม่มีใจแผ่นดินปัตตพีนี้ไม่มีความรู้สึกสุขทุกขมหาปัตตพีนั้นก็วันไหวถึง7ครั้ง เพราะกำลังแห่งทานของเรานะอันนี้แหละที่พระองค์บอกไว้อ้างกับพญามารว่าพระองค์นี้สร้างบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงคู่ควรแก่โพธิบัลลังค์คู่ควรแก่ท่านวัชระอาจเพราะอะไรเพราะพระองค์ให้ทานแผ่นดินไม่มีใจแผ่นดินยังหวนไหวถึงเจครั้งเพรอ่อก็เลยบอกเอาแผ่นดินนี้เป็นพยานนะแล้วก็แผ่นดินก็ได้หวนไหวจริงๆในตอนที่พระองค์ก่อจะตรัสรู้แผ่นดินก็ไหวพญามารก็หนีไปะ หลังจากที่ให้ทานเช่นกับพระเวสสันดรเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เช่นให้ชาติที่เป็นพระเวสสันดรสร้างบารมีเสร็จเนี่ยนะตอนที่เท้าสกกะแปลงเพศมาขอผนางมัสยีเนี่ยนะซึ่งพระโพธิสัตว์ก็เต็มใจให้เป็นอย่างยิ่งเมื่อยกผนางมัสยีให้แล้วเนี่ยนะท้าสักกะก็ให้พรพรของท่านในหลายข้อโดยเฉพาะข้อท้า ย, ายบอกว่าขอให้ได้กลับไปสู่เมืองกลับไปสู่เมือง สีพีเนี่ยนะเมื่อไปสู่เมืองสีพีแล้วก็ได้ให้ทานจนตลอดสิ้นอายุว่างั้นะจุติจากชาตินี้แล้วขอให้เกิดในดุสิตจุติจากดุสิตขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเท้าสักกะก็ให้พรที่ให้พรนี้เพราะอะไรเพราะบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เต็มสมควรที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะให้โดยไม่มีส่วนเหลือมีอะไรบ้างไม่ให้ได้ให้ไม่ได้ ถ้าวันนั้นมีใครจะไปขอดวงตาท่านอีกท่านก็ควักให้เต็มใจให้อย่างยิ่งโดยไม่อาลัยอาวรณ์ให้ได้แม้กระทั่งเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดเนี่ยให้ได้หมดให้โดยไม่มีส่วนเหลือมันสามารถให้สิ่งที่ตัวเองรักจึงไม่เหลืออิจฉามัจเฉริยะอยู่ในใจแม้แต่นิดเดียวถ้ายังมีริษยามีมัจเฉริยะอยู่ในใจก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่มีอิจฉา ริษยาอยู่ในใจไม่มีมัฉชิยะอยู่ในใจไม่ตาร้อนเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยนะและก็ไม่ตรหนีคุณไว้แต่เพียงผู้เดียวพันจะช่วยเขาได้ตรงไหนอะไรอย่างไรพันจึงไม่อาไลอาวอนนั้นเรียกว่าบารมีเต็มเปี่ยมพอที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์กำลังอยู่ในพบชั้นดุสิตนั่นแหละ ดำรงอยู่ปกติแล้วพระโพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะก่อนจะมาเกิดชาติสุดท้ายเนี่ยล้านปีตอนนั้นก็เกิดพุทธโกลาหนขึ้นเกิด็โผลความโกลาห์นคือเหมือนกับว่าข่าวข่าวที่มันดังออกมาม า, มากว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกปกติแล้วโกลาหนมีอยู่3อย่าง1กลกัปปะโกลาหนสองพุทธโกโลโกราหนส จักวัติโกลาหลนเนี่ยนะครับความอบุบลเรียกว่าความอุเวงโกลาหล์นน้องๆจรลจนรุนั่นแหละว่างั้นเถอะเช่นถ้าหากว่ากลับโกลาหลนก็จะมีเทวดาชั้นกามาวาจรเชื่อว่าโลกกับยุหะพวกเทวดาเหล่านี้เนี่ยมีญาณอย่างรู้ว่าข้างหน้าอีกต่อไปอีกประมาณแสนปีเนี่ยนะกลับโกลาหลนจะเกิดขึ้นนะโกลาห์นเรียกว่ากลับทำลายแน่นอน เทวดาเหล่านี้ก็จะปล่อยผมสยายร้องให้เอามือเนี่ยนะฟายน้าตาเรียกว่าเช็ดน้ําตาอาบแก้มนุ่งผ้าแดงทรงเพศแปลกๆอย่างยิ่งเทวดาเหล่านี้เนี่ยก็จะเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์ร้องห่มร้องให้บอกข่าวว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายล่วงไปอีกแสนปีนับจังแต่วันนี้ไปกลับจักตั้งขึ้นโลกนี้จักพิณอีกแสนปีโลกพินั่งกันแม้มาหาสมุทร ทะเลก็จะเหือดแห้งมหาปตพีแผ่นดินนี้และขุนเขาสีเนรุก็จกโมดไหมพินาศไปความพินาจักมีจนถึงพรหมโลกโน่นแหะถึงท่าไหนบางครั้งก็ถึงภัสราพรมเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดูก่อนท่านผู้นิรทุกพวกท่านจงเจริญเมตตากันนะเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาพวกะท่านจงบำรุงมารดาบำรงบิดา เป็นผู้ยำเกรงในผู้ใหญ่ในตระกูลดังนี้เนี่ยอันนี้เรียกว่ากับโกลาหนเพราะว่าได้เกิดโกลาหนขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยนะเขพรหมมาเทววันโลกมันจะไหม้ไหม้ตั้งแต่โลกจนถึงพรหมมาโลกถึงชั้นอภัสราพรหมเนี่ยถ้ากลับที่สุดถูกไฟไหม้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็จะทําบุญกันทําบุญกันเนี่ยนะพวกที่ปกติแล้วเกิดด้วยอาเหตุกะเกิดด้วยทวิเหตุกะ พวกนี้จะทําบุญในชาตินั้นจนได้ติเหตุกะและไปเกิดในเทวดาเมื่อเกิดในเทวดาพวกนี้ก็จะไปเจริญฌานกันต่อแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงที่เรียกว่าพ้นเขตถูกไฟไหม้ประาณนั้นนะเรียกว่าขนย้ายกันออกกันหมดระเนระนาดเหมือนกับบ้านอะไรนะเหมือนกับตึก30 31ชั้นเนี่ยมันจะไฟไหม้กี่ชั้นอะ่ะไฟไหม้อยู่เกือบ20ชั้นอ่ะนะไฟไหม้เกือบ20ชั้นถามว่าทำยังไงกันก็หนีสินะใครจะไปอยู่ให้ไฟไหม้ เพราะฉะนั้นก็ขนย้ายข้าวย้ายของทําบุญกันใหญ่เลยนะแต่คําว่าเมื่อโลกไฟไหม้ชรามรณะแผดเผาเนี่ยวิธีหนีก็หนีด้วยพรหมวิหารนี้ด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาแล้วก็หนีด้วยจารีศินบํารุงบิดามารดาเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นต้นเพระะื่อนท่านเหล่านี้ก็ล่วงพ้นจากยุคนั้นซึ่งปกติเรานี่ย้ายแบบนี้ไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วนะวนะมีปกติอัธยาศัยย้ายอะไรนะ เอาโลกแกถูกไฟไหม้แล้วก็แผ่นกันแล้วจะไปอยู่ทำไมมั้งกันถ้าหากว่าพุทธโกราหนหมายว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเทวดาฝ่ายโล ก, กบาลเทวดาที่ปกติคอยรั ก, รกษาโลกเนี่ยนะก็จะรู้ว่าผ่านไปข้างหน้าอีกประมาณ 1,000 ปีจะกเกิดพระสัพพัญยูพุทธเจ้าขึ้นในโลกเทวดาเหล่านี้ก็จะเที่ยวไปโฆษณาว่าประกาศข่าวว่า ท่านผู้นิรทุก์ตั้งแต่นี้ไปเก้าล่วงพ้นไปอีกพันปีจกมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกดังนี้ชื่อว่าพุทธโกราหนบางคนบอกพระสีอานเกิดแล้วบอกจะเกิดได้ยังไงเนี่ยเมื่อพันปีที่แล้วก็ไม่ได้มีโกราหนบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดเลยนะย้อนอีกนานเชอะมันถ้าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะมีโกราหนไอโกราหนอันนี้แหละที่เป็นเหตุให้พรมในหมื่นจักรวาลมาราธนาพระพุทธเจ้า นนะอาราธนาพระโพธิสัตว์ให้มาเกิดพวกเทวดาก็ทราบว่าเทวดาบางพวกโดยปกติก็จะทราบว่าผ่านไปอีร้อยปีจะมีพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นนนเะทวดาเหล่านี้ก็จะเที่ยวโฆษณาว่าท่านผู้นิรทุก์นับตั้งแต่นี้ล่วงไปร้อยปีจะเกิดจักรพรรดิราชขึ้นดังนี้อันนี้ชื่อว่าจักรวัติโกลาหล์นบรรดาโกลาห์นสอย่างนั้นพุทธกโกลาห์นก่อนอนนเะพราะเราต้องการจะพูดถึงพระผูธเจ้า ว่าเทวดาทั่วทั้งหมื่นจั ก, กรวาลฟังข่าวว่าพุทธกกลาหนคืออีกผ่านไปข้างหน้าประมาณ 1,000 ปีจะมีพระพุทธเจ้าเทวดาเหล่านี้ได้ฟังข่าวมาอย่างนั้นก็ประชมพร้อมกันรู้ว่าสัตว์ชื่อโน้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้า นะองคไหนที่มีรัศมีโดดเด่นกว่าเพื่อนในดุสิตเนี่ยนะองนั้นแหละจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นใครเสตุเกตเท พ, พบุตรหรือที่เราเรียกกันว่าสันดุสิตเทพบุตรอีกเช่อหนอึ่งเรียกว่าเสตุเกตหรือว่าสันดุสิตเทพประบุนั่นแหละเสร็จแล้วก็เข้าไปเข้าไปหาไปอ้อนวอนไปขอร้องไปอาราธนาเมื่อจะอ้อนวอน ก็จะอ้อนวอนเมื่อปุพนิมิตของสัตว์นั้นเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ารีบไปถึงก็ไปขอเลยนะท่านรีบตายเถอะจะเกิดเป็นมนุษย์เร็วจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าไม่เทวดาเรานี่คอยหาโอกาสเมื่อใดเนอะดอกไม้ท่านจะเหี่ยวก็ต้องรอดูบุพนิมิตเช่นหนึ่งดอกไม้เหี่ยวผิวพันธุ์เศร้าหมองบ้างเงือออกรักแร้ไม่ยินดีในทิพอาดเนี่ยนะนะนะนะแล้วก็ดูว่าความชราเนี่ยปรากฏ ก็เลยได้เวลาแล้วได้เวลาที่ไปขอร้องเพราะยังไงท่านก็ตายแนย่แต่ระดับพระโพธิสัตว์บอกตรงๆว่าท่านเลือกเกิดได้ท่านจะขึ้นไปหรือลงนะระบบขึ้นลงขึ้นลงอีกร้อยล้านรอบท่านก็ทําได้เพราะฉะนั้นไอระหว่างเนี่ยถามว่าก่อนที่ท่านจะจะย้ายเนี่ยจะย้ายไปไหนอ่างนั้นเนี่ยท่านก็เลยเวลาได้เวลาที่สมควรไปอาราธนา